เิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุกโทร 02-549-3043 หรือที่ w w w l o t u s เ m u t t a ท t h ต m u t t Farm Shop ยีฟร์มชยินดีดต้อนรับค่ะที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร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 สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการและก็เรื่องราวของเราในวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับห้องครัวนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการกลเม็ดครัวไอเดียสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะเรามาดูเรื่องราวของอาหารของเราวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราว ของสารพัดห้องครัวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้ในตอนแรกนั้นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ6เคล็ดลับค่ะทำอาหารเมนูปลาให้อร่อยแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเมนูปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยาก แล้วก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีเทคนิคต่างๆค่ะคุณผู้ฟังที่จะทำให้เรานั้นทำเมนูเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นจะมีอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามกันในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองของรายการนั้นนะคะวันนี้เอมีเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องครัว มาฝากกันจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างง่ายๆนะคะในการใช้ในห้องครัวของเรานั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของการขจัดกลิ่นคาว ทางก้คอด้วยกันนะคะไม่ไหวแล้วกลิ่นคาวในห้องครัวเนี่ยมันเยอะมันสะสมมันหมักหมมมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก้คอนะคะที่เอนํามาฝากกันในช่วงท้ายรายการเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะกับช่วงนี้แล้วเรื่องราวของกลเม็ดลุยเข้าครัวนั่นเองวันนี้เอมีเรื่องราวของ6เคล็ดลับค่ะทำอาหารเมนูปลาให้อร่อยน่าทานยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะทําอาหารเมนูปลาเนี่ยแม่บ้านก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหากลิ่นคาว ไวมไปถึงวิธีการกำจัดเมือกปลาเนี่ยออกไปหลากหลายวิธีแล้วจากนี้ใครที่กำลังมองหาสารพัดวิธีนะคะที่จะช่วยให้การทำเมนูปลาเนี่ยออกมาได้อร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเอได้ข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์เมนูอาหาร .com ค่ะเขาได้รวบรวมนะคะเคล็ดลับนี้ที่จะ มานําเสนอนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มีเคล็ดลับในการทําอาหารเมนูปลาให้อร่อยน่ารับประทานมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามารับฟังกันบ้างนะคะว่า6ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยนมสดค่ะช่วยให้ปลาเนี่ยทอดออกมาได้กรอบนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาทอดปลาทีไรเนี่ยนะคะเนื้อเละแล้วก็หนังหลุดเพราะว่าปลาทอดเนี่ยจะติดอยู่กับกระทะอยู่บ่อยครั้งนะคะ แต่คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วยการนำปลาลงชุบในนมสดก่อนจากนั้นก็ให้นำมาคลุกกับแป้งค่ะจนทั่วนะคะแล้วจึงนำไปทอดตามปกติเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ปลาทอดของคุณมีสีเหลืองทองอาร่ามดูกรุบกรอบน่ารับประทานมากขึ้นทีเดียวเลยค่ะก้อที่สองนะคะลวกหรือต้มให้ได้เนื้อขาวน่ากิน การที่เราจะกินเมนูปลาลวกนะคะหรือว่าปลาต้มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำกินได้ง่ายๆเทราะว่าหลายคนค่ะอาจจะเคยลวกหรือว่าต้มปลามาแล้วแล้วเนื้อปลาเนี่ย กลับไม่ขาวดังใจนะคะทําให้ไม่น่ากินเอาซะเลยเคล็ดลับง่ายๆค่ะจะทําให้การต้มปลาของคุณนั้นนะคะมาพร้อมกับเนื้อปลาที่ขาวน่ากินเพียงหยดน้ําส้มสายชูค่ะลงในน้ําที่จะลวกหรือว่าต้มนั่นเองน้ําส้มสายชูจะช่วยเปลี่ยนเนื้อปลาให้ขาวขึ้นทันตาเลยล่ะคะ่ะข้อที่ 3. นะคะย่างปลาดุกให้ได้เนื้อที่น่ากินมากขึ้นการย่างปลาดุกกินเองเนี่ยหลายครั้งก็ต้อง กัดกลุ้มใจค่ะกับที่เนื้อปลานะคะไม่นุ่มแถมยังปลาเนี่ยยังติดตะแกรงจนดูไม่น่าทานอีกหากการย่างปลาดุกนะคะทำให้คุณหงุดหงิดใจแบบนี้ก็นับเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าผิวหนังของปลาดุกนั้นจะมีไขมันเยอะนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะย่างนะคะก็ควรจะบั้งปลาทั้ง2ด้านนะคะให้ไขมันบางส่วนเนี่ยได้ไหลออกมาก่อนเมื่อนําไปย่างปลาดุกก็จะไม่เละแล้วก็แถมยังน่ากินมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ข้อที่4นะคะย่างปลาให้เนื้อนุ่มอร่อยด้วยมะนาวแม่บ้านหลายคนเลยค่ะอาจจะต้องเผชิญกับการย่างปลานะคะเราก็ได้เนื้อแข็งๆไม่ฟูนุ่มอร่อยเป็นแน่สำหรับวิธีการย่างปลาให้ได้เนื้อนุ่มฟูนะคะก็ทำได้ง่ายมากเลย เพียงแค่คุณผู้ฟังคาบีบมะนาวลงไปนะคะบนตัวปลาให้ทั่วจากนั้นเนี่ยก็นำไปย่างตามปกติมะนาวมีคุณสมบัติช่วยลดความแข็งกระด้างของเนื้อปลาได้ค่ะแถมยังทำให้คุณนะคะได้เนื้อปลาที่ฟูนุ่มละมุนลิ้นทั้งยังไม่มีกลิ่นคาวปลาอีกด้วยค่ะมากันที่ข้อที่5บ้างนะคะทอดปลาทูให้สวยแล้วก็เนื้อและหนังเนี่ยไม่เละแล้วก็หลุดออกค่ะ มือใหม่นีคะหลายคนที่เพิ่งหัดทอดปลาทูใหม่ๆเนี่ยย่อมเจอกับหนังปลาทูหายเนื้อหายหรือไม่บ้างเป็นธรรมดาเราวิธีการทอดปลาทูให้สวยนะ่ารับประทานนะคะก็มีเคล็ดลับง่ายๆคือให้ทอดด้วยไฟแรงนั่นเองแล้วก็ต้องทอดให้ปลาเนี่ยสุกกรอบทีละด้านนะคะไม่แนะนําให้พลิกปลาไปมาเพราะจะยิ่งทําให้หนังปลาทูนั้นลอกออกได้ค่ะสุดท้ายนะคะต้มปลาให้ก้างปลานุ่มขึ้นด้วยอ้อยค่ะ เป็นเรื่องธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะคะที่เวลาเราต้มปลาทีไรเนี่ยมักจะต้องเผชิญกับก้างปลาแข็งๆพวงมาด้วยทุกครั้งทำให้อัจฉริในการกินเมนูปลาต้มทั้งหลายเนี่ยลดไปเลยแต่คุณสามารถนำปลานะคะมาต้มให้ น, นุ่มลงได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะเพียงนำอ้อยนะคะที่ปลอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกันกับส่วนผสมอื่นๆคลาวนี้เนี่ยก้างปลาที่เคยแข็งกระด้างติดคอนะคะก็อ่อนตัวนุ่มขึ้นแถมยังได้เนื้อปลาที่แน่นนะคะซึ่งมาพร้อมกับรสชาติของน้าซุปปลาที่แสนอร่อยกลมกล่อมลงตัวอีกด้วยค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าสําหรับการทําอาหารเมนูปลานั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพียงแค่คุณนําเคล็ดลับคู่ครัวนะคะมาลองทําเป็นเมนูปลาแถมยังได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะคะลองไปทํากันดูได้สําหรับ6เคล็ดลับที่นํามาฝากกันในช่วงกลเม็ดลุยเข้าครัวคะ่ะช่วงหน้านะคะเรื่องราวของกลเม็ดเกร็ดเสริมครัวไอมีเรื่องราวของแรงบันดาลใจนะคะในการตกแต่งห้องครัวมาฝากกันอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันคะ่ะ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 I'm s t c k i t h you, t u k t h you.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 กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันลาวนะคะช่วงนี้เรื่องราวของกลเม็ดเกร็ดเสริมครัวนั่นเองเรามีแรงบันดาลใจค่ะในการสร้างห้องครัวขนาดเล็กนะคะมาฝากกันหากคุณเป็นคนที่รักการทําอาหารเราก็คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการใช้เวลาทั้งวันนะคะอยู่ในครัวเป็นแน่นอนทั้งทดลองทําเมนูใหม่ๆหรือว่าอาจจะทําอาหารจานพิเศษให้กับคนที่คุณรักและแน่นอนว่าการทําอาหารสักจานเนี่ย ห้องครัวแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ก็เป็นส่วนที่สำคัญค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะคะแล้วก็พามารับฟังเรื่องราวของห้องครัวขนาดเล็กที่ทั้งสวยแล้วก็ยังใช้งานได้ง่ายอีกด้วยอย่าให้ขนาดของห้องครัวของคุณเป็นอุปสรรคต่อการทำอาหารเลยค่ะข้อแรกนะคะห้องครัวสีขาวและสีไม้ ห้องครัวเล็กๆนะคะน่ารักเหมาะกับพื้นที่เล็กๆในคอนโดเลยทีเดียวมีแค่ชุดครัวที่ประกอบด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เตาอบพร้อมกับอ่างล้างจานนะคะขนาดกําลังเหมาะแถมยังมีโต๊ะกินข้าวที่ขนาดพอดีกับพื้นที่ที่แปลงร่างให้เป็นโต๊ะเตรียมอาหารได้อีกด้วยถือว่าเป็นทูอินวัเลยค่ะเตรียมก็ได้นะคะใช้รับประทานอาหารก็ได้ด้วยเช่นกันข้อที่2นะคะครัวแบบชนบทฝรั่ง มาถึงครัวที่สองกันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกชอบมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นครัวอิดผสมกับไม้ที่ตกแต่งได้เก๋นะคะผนังด้านหลังเนี่ยจะทาด้วยสีเขียวค่ะผิวด้านนะคะ แบบเดียวกับกระดานดำคือเขาจะมีเป็นผนังกระดานดำด้วยฝั่งหนึ่งใช้ช็อคมาขีดเขียนนะคะเป็นเมนูหรือว่าข้อความเท่ๆได้เลยครัวเนี่ยตกแต่งง่ายๆแต่ว่ามีรายละเอียดน่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นเอาผ้ามาปิดความรกบริเวณใต้อ่างล้างจานห้อยไฟจากเพดานก็ใช้เป็นขวดไวน์ค่ะมาทาเป็นตัวโคมนะคะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะไม้ยาวนะคะไว้เป็นโต๊ะนั่งกินข้าวในครัวได้เลยค่ะ อย่างที่3มนะคะห้องครัวสีขาวสะอาดการใช้สีขาวตกแต่งครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องต้องห้ามนะคะข้อนี้เนี่ยนะคะจะบอกให้คุณรู้ว่านี่แหละคือตัวอย่างที่ดีเลยทั้งตู้และเคาน์เตอร์นะคะเป็นสีขาวสะอาดตาแต่งผนังให้ดูเก๋ด้วยกระเบื้องหกเหลี่ยมสีดำสลับขาวส่วนกำแพงอีกฝั่งก็เป็นอิฐนะคะเป็นอิฐเปลือยที่ดูขัดแย้งกันแต่ว่าก็สวยไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ้อที่4นะคะครัวบานพับ ขอประมือให้กับไอเดียนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีประตูบานพับเนี่ยเอาไว้ปิดเปิดเคาน์เตอร์ให้เป็นประเบียบเรียบร้อยนะคะเมื่อเราไม่ใช้งานเราก็ปิดเอาไว้นะคะพอเราจะใช้งานเราก็เปิดเป็นห้องครัวออกมาค่ะเมื่อเลื่อนบานพับนะคะจะเห็นชุดครัวขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันครบครันใช้เสร็จเมื่อไหร่ก็พับปิดได้เลยละค่ะส่วนผนังนั้นก็จะเป็นสีเรียบๆสีขาวนะคะสวยด้วยสะดวกด้วยค่ะ ข้อที่5นะคะครัวสไตล์มินิมอลน้อยๆแต่ว่าดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็คอนเซปต์ในการตกแต่งครัวสไตล์นี้เนี่ยคือเป็นการทาผนังสีขาวโล่งๆนะคะแล้วก็ติดชั้นวางของเนี่ยยึดด้วยเหล็กฉากติดลวดที่สานเป็นตะข่ายนะคะเอาไว้แขวนหม้อแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวมีเตาอบที่ท็อปนะคะแล้วก็เป็นเตาแก๊สสักตัวหนึ่งเพียงเท่านี้เนี่ยก็ได้มุมทาครัวสวยๆแล้วละค่ะ ข้อที่หกนะคะตู้ครัวสีเขียวยิ่งกว่าครัวบานพับก็ต้องห้องครัวตู้นี่ะค่ะเป็นตู้ไม้สีเขียวนะคะคล้ายกับตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่มีบานพับครึ่งบนเปิดออกได้สองทางค่ะเผยให้เห็นภายในที่มีชั้นวางของไว้เก็บจานชามช้อนนะคะแก้วน้ามีโต๊ะเล็กๆแล้วก็มีเตาไฟฟ้าแล้วก็อ่างล้างจานแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยปิดบานตู้ก็จะกลายเป็นแค่ตู้เก็บของธรรมดานั่นะค่ะ ข้อที่7นะคะครัวตัวยูสุดโมเดิร์นขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับครัวตัวยูครัวแบบนี้เนี่ยจะทำอาหารได้ถนัดกว่านะคะเพราะว่าใช้พื้นที่ในการล้างหั่นแล้วก็ปรุงได้แบบสบายๆตกแต่งด้วยโทนสีขาวทำให้ดูสะอาดตาแถมยังทำให้ดูโปร่งแล้วก็กว้างขึ้นอีกเอาไว้ไปใช้กับครัวในคอนโดได้เลยค่ะข้อที่8นะคะครัวสีฟ้าขาวสดใส เห็นครัวที่ตกแต่งสีโทนนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกสนุกนะคะจนอยากจะทำอาหารเลยจริงๆเป็นครัวขนาดเล็กที่มีผนังสีฟ้าอมเขียวสดใสเติมความสนุกด้วยผนังลายตารางค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ตู้สีขาวส่วนอุปกรณ์นะคะของครัวอย่างเตาแก๊สเตาอบแล้วก็เครื่องดูดควันที่ใช้เป็นสีเงินเนี่ยนะะนอกจากนี้ยังมีตู้แล้วก็ชั้นวางของที่ไว้เก็บของได้อย่างจุใจไปเลยทีเดียวค่ะ ขอ้อทีก้านะคะครัวไม้จากญี่ปุ่นกระจุมกระจิมน่ารักเนะเหมือนบ้านตุ๊กตามากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นครัวที่มีขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีเตาอบเตาแก๊สในเครื่องเดียวกันพร้อมกับฮู้สีขาวค่ะถัดมาเป็นตู้เคาน์เตอร์สีเขียวอ่อนนะคะที่มีอ่างล้างจานทรงวินเทจถัดมาก็จะก่อดด้วยอิดเพื่อใช้วางเตาผิง ห้องเล็กแคบแคบแบบนี้นะคะโต๊ะกลางจึงเป็นแบบพับหน้าโต๊ะลงได้ดูแล้วน่าจะใช้งานได้จริงๆรแล้วก็สะดวกด้วยค่ะ ข้อที่สิบข้อสุดท้ายนะคะครัวโมเดนสุดล้ํามาถึงครัวสุดท้ายกันบ้างค่ะนะค ะ, นะคะที่เองเนี่ยก็อยากจะมีไว้ที่บ้านเลยสัก1เซตนี้นะคะเป็นครัวสไตล์โมเดนสุดทันสมัยเครื่องครัวเนี่ยมีครบครันค่ะแล้วก็ใช้สีขาวแล้วก็สีเขียวทําให้ดูเฟลลี่เติมด้วยพื้นไม้ลามิเนต ส, สีน้าตาล น, นะคะที่ทําให้ดูอบอุ่นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่งด้วยเก้าอี้บาร์ค่ะที่ทําจากพลาสติกใสทําทให้ห้องครัวนี้ล้าเลยทีเดียวเชียวละ สวยทุกครัวเลยใช่ไหมล่ะคะมีครัวไหนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังได้บ้างอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยจากสนุก c o m ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันกับเรื่องราวของไม่ลองไม่รู้ก้าววิธีกำจัดกลิ่นคาวในห้องครัวพอกันทีกลิ่นเหม็นจนแสบจมูกนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ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 กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เอมีเรื่องราวที่อยากจะมานําเสนอในเรื่องของการขจัดกลิ่นคาวในห้องครัวไม่ลองไม่รู้เก้าวิธีกําจัดกลิ่นคาวในห้องครัวพอกันทีค่ะกับกลิ่นเหม็นที่รุนแรงจนแสบจมูกนะคะสําหรับห้องครัวเนี่ยเป็นห้องครัวที่มีทั้งกลิ่นคาวนะบางทีเนี่ยเกือบแทบทนไม่ไหวเลยทีเดียวมาดูวิธีการดับกลิ่นคาวนะคะในห้องครัวกันดีกว่า ซึ่งกลิ่นค้านี้นะคะเป็นกลิ่นที่กำจัดได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ ก, กำจัดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอก็เลยนำเรื่องราวจากกระปุก .com ค่ะนำวิธีดับกลิ่นค้าวนี่นะคะมาฝากกันเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกในการกาจัดนะคะกลิ่นข้าในห้องครัวต้องมีตัวช่วยอย่างน้ำส้มสายชูค่ะ รู้ไหมคะว่าเพียงแค่เทน้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็วางไว้ใกล้กๆกับเตาเวลาที่เราทอดปลาทำอาหารทะเลหรือว่าทำอาหารที่มีกลิ่นเหม็นนะคะจะช่วยกำจัดกลิ่นคาวให้หายไปได้ง่ายๆเนื่องจากน้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติช่วยดูดกลิ่นคาวแล้วก็กลิ่นเหม็นได้อย่างหมดจดค่ะแต่ถ้าหาใครลองแล้วนะคะกลิ่นคาวเนี่ยยังไม่หมดสักทีขอแนะนําให้วางทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วค่อยนําไปเททิ้งรับรองว่ากลิ่นหายไปอย่างแน่นอนเลยละค่ะ ข้อที่สองนะคะมะนาวถ้าบ้านใครที่น้ำส้มสายชูเนี่ยดันมาหมดพอดีก็เปลี่ยนมาใช้น้ำมะนาวแทนได้เหมือนกันค่ะโดยขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะเริ่มด้วยการนำน้ำใส่กระทะ แล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆจากนั้นเนี่ยก็ใส่มะนาวนะคะเป็นน้ำมะนาวนะคุณผู้งังลงไปสัก 2-3 มช้อนชาจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครึ่งชั่วโมงค่ะเท่านี้กลิ่นคาวเนี่ยก็จะหายไปหมดแล้วแถมยังได้กลิ่นหอมของมะนาวแทนที่อีกด้วยค่ะ ข้อที่สานะคะเบกกิ้งโซดาอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยของการทําความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งเบกกิ้งโซดาเนี่ยเป็นผงสีขาวที่มีคุณสมบัติโดนใจคนรักครัวมากๆเพราะว่าสามารถใช้ทําความสะอาดแล้วก็ขจัดคราบในห้องครัวเนี่ยได้หลากหลายเลยทีเดียวอีกทั้งยังช่วยลดกลิ่นอับในตู้เย็นหรือว่าตู้กับข้าวได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของกลิ่นคาวในห้องครัวนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราสามารถนำเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะมาผสมกับน้ําเปล่า8ปด จากนั้นเนี่ยคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปขัดขียงนะคะดับกลิ่นคาวรับรองเลยว่าช่วยให้ห้องครัวนั้นไม่เหม็นอย่างแน่นอนค่ะข้อที่4นะคะขิง ขิงเนี่ยนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแล้วนะคะแถมยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพรู้หรือไม่คะว่าขิงเนี่ยช่วยลดกลิ่นคาวได้ด้วยซึ่งการนํามาดับกลิ่นคาวเนี่ยนะคะก็ทําได้ไม่ยากเลยโดยการนําขิงมาบดเป็นผงละเอียดจากนั้นเนี่ยโรยให้ทั่วตัวปลาแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพียงแค่นี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะสามารถนําปลาไปประกอบอาหารแบบไม่ต้องกลัวกลิ่นคาวจรบกวนระหว่างการทําอาหารด้วยนะคะ ข้อที่5ค่ะ น, นมสดอีกหนึ่งวิธีการล้างปลาไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะกลิ่นคาวเนี่ยจะคลุ้งไปทั่วห้องครัวแล้วก็กอ น, นำมาทำกับข้าวก็คือเราจะมีวิธีนะคะนำปลาหรือว่าอาหารทะเลเนี่ยใส่ลงในกระมังเราก็เท น, นมนะคะตามลงไปให้ท่วมทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงสารเคซีนะคะหรือว่าเคซีนเนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนมจะดูดซับเอาสารไตรเมทิลอมีนออกไซด์ สารประกอบที่ทําให้เกิดกลิ่นคาวเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็นําปลาไปประกอบอาหารได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นคาวแล้วล่ะค่ะข้อที่6นะคะกาแฟหากคุณเป็นคอกาแฟอยู่แล้วรับรองว่าต้องชอบวิธีนี้แน่นอนแถมยังสามารถทํำง่ายนิดเดียวด้วยนะคะเพียงแค่นําเมล็ด ก, กาแฟหรือว่ามเมล็ด ก, กาแฟบดนะคะเทลงใส่ในถ้วยเอาไว้ แล้วนำไปตั้งทิ้งไว้ในห้องครัวประมาณ 1-2 จุดกลิ่นจากกาแฟเนี่ยจะช่วยกรอบกลิ่นคาวได้นอกจากนี้ยังสามารถใส่ชินนามอนนะคะจันเทศหรือว่าเครื่องเทศชนิดอื่นๆลงมาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้ห้องครัวได้อีกด้วยค่ะ ข้อที่7นะคะแอปเปิลรู้ไหมคะว่าแอปเปิลเนี่ยช่วยดูดกลิ่นคาวจากการทำอาหารได้โดยสไลด์แอปเปิลเป็นแผ่นบางๆนะคะวางไว้บนปลาให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนนำปลาไปทำอาหารสำหรับปลาที่มีกลิ่นแรงเนี่ยนะคะวิธีนี้อาจจะช่วยลดกลิ่นคาวให้น้อยลงได้และไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้รสชาติแล้วก็กลิ่นของเนื้อปลาเปลี่ยนไปเลยข้อที่8ข่าบูงา ถ้าแค่ดับกลิ่นคาวยังไม่พอนะคะคงต้องหาอะไรเนี่ยที่มาทำให้ห้องครัวของคุณผู้ฟังเนี่ยหอมสดชื่นก็ต้องหันมาทำบุงาเครื่องหอมที่เป็นการผสมผสานระหว่างกลีบดอกไม้หรือว่าเปลือกผลไม้หอมๆ อ, อย่างเช่นดอกกุหลาบดอกจำปาเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูด เปลือกส้มเข้ากับเครื่องเทศนะคะอย่างเช่นอบเชยหรือว่าการภูโดยวิธีการทำบุ ง, งาก็ไม่ยากค่ะแค่ต้มน้ำนะคะโดยใช้ไฟอ่อนจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะคะปล่อยไว้สักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสักระยะหนึ่งค่ะเพียงแค่นี้นะคะกลิ่นหอมก็จะฟุ้งไปทั่วห้องครัวแทนที่กลิ่นคาวหรือว่าถ้าจะให้สะดวกกว่านี้นะคะใช้วิธีจุดเทียนหอมแทนก็ได้ค่ะ สุดท้ายนะคะข้อที่เก้าหน้าต่างวิธีง่ายๆเลยที่จะช่วยลดกลิ่นคาวในห้องครัวของเราได้ก็คือเปิดหน้าต่างนั่นเองทั้งในขณะที่กำลังทำอาหารนะคะหรือแม้แต่ตอนที่ทำอาหารเสร็จแล้วเพื่อให้ห้องครัวนั้นมีอากาศถ่ายเทมีอากาศหมุนเวียนกลิ่นเหม็นๆเนี่ยออกไปแต่ว่าควรเปิด ประตูที่เป็นทางเข้าออกด้วยนะคะอย่าเพอเปิดประตูที่เชื่อมกับห้องต่างๆภายในบ้านเชียวละไม่อย่างนั้นนะคะกลิ่งคาวได้ตลบอบอวลอยู่ในบ้านแน่นอนค่ะและถ้าหากวันไหนฝนตกนะคะใช้วิธีเปิดหน้าต่างดูถ้าจะไม่เวิร์ค ลองหันมาเปิดพัดลมระบายอากาศแทนก็จะช่วยระบายกลิ่นคาวได้เหมือนกันค่ะเห็นไหมแล้วคะว่าแต่ละวิธีนั้นทําได้ไม่ยากเลยแถมอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ยังหาได้ง่ายในบ้านของเราอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่ามัวปล่อยให้ห้องครัวนั้นเหม็นคาวอีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยอย่าลืมหาต้นตอสาเหตุของกลิ่นเหม็นเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าหากกลิ่นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาจากอาหารแต่มาจากของใช้ภายในห้องครัวก็ต้องหาทางดับกลิ่นเฉพาะจุดกันต่อไปค่ะ เดินทางกันมาจนครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหมดเวลาของรายการกลเม็ครัวไอเดียแล้วละคะ่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเอจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นต้องรอติดตามกันสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกลเม็ครัวไอเดียแล้วะคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ